ถ้าจิตไม่ถึงฐานเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกดีแต่คิดเอานะคิดเรื่องไตรลักอะไรอย่างนี้นะแต่มันไม่เกิดปัญญาจริงหรอกงจุดนี้เป็จุดใหญ่ที่หลวงพ่อเข้มงวดที่สุดเลยในการเรียนกรรมฐานจิตต้องถูกต้องเสียก่อนถึงจะเดินปัญญาได้ส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าใจว่าต้องมีสมาธิก่อนถึงจะเดินปัญญาได้ สมาธิมีหลายชนิดสมาธิบางอย่างเนี่ยไม่ทําให้เกิดปัญญาเกิดความสงบเฉยๆบางอย่างทําแล้วก็ไปเที่ยวรู้ข้างนอกไม่รู้กายรู้ใจบางอย่างทําแล้วสงบเฉยๆบางอย่างทําแล้วเจริญปัญญาได้สมาธิมีหลายชนิดต้องเรียนบทเรียนอันนี้ชื่อว่าจิตศิกขาเราเรียนรู้อาการของจิตเมื่อถ้าจิต ไหลออกไปภายนอกนะเคลื่อนไปแล้วก็ถูกอารมณ์ครอบนำนเที่ยวเห็นโน่นเที่ยวเห็นนี่ไปหรือจิตเคลื่อนไปแล้วไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะได้ความสงบเฉยๆจิตเคลื่อนแล้วเรารู้แล้วจิตตั้งมั่นไม่เคลื่อนโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยจะได้สมาธิที่เอาไว้เดินปัญญาถ้าเราไม่แตกฉานในจิตก เอาจิตที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไปเจริญปัญญาทําไม่ได้จริงหรอกงั้นคนที่ทํากรรมฐานนะถ้าเทียบกับคนที่ไม่ทํากรรมฐานแล้วคนที่ทํากรรมฐานมีนิดเดียวนี่คนทํากรรมฐานแล้วที่ว่ามีน้อยแล้วเนี่ยยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกที่ทําถูกอย่างคนไปเข้าคอสเข้าอะไรกันนะบอกทํำวิปัสนาดูแล้วร้อยละร้อยนะหรือพูดแบบเปล่งใจร้อยละ9ก้าากว่า แบบเกรงใจไปทำสมถะแต่คิดว่าเป็นมิปัสส น, นะหรือบางคนก็บอกทำมิปัสสนาเจริญปัญญาคิดพิจารณาไปเลยจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องรองรับกลายเป็นความฟุ้งซ่านฟุ้งในธรรมะเวลาที่เราคิดพิจารณาธรรมะนะจิตใจได้รับความสุขได้รับความสงบเป็นอาหารของใจอย่างหนึ่งนะกินแล้วเสพติดเหมือนกัน เง่นอย่างบางคนคิดพิจารณาธรรมมากๆแล้วจะเพลินมีความสุขนันคิดว่าโอ้ยกูรู้หมดละกูรู้หมดละเะเขาจริงไม่รู้หรอกไม่ใช่กูรู้หรอกกูรู้ก็ไม่รู้หรอกนะไม่รู้หรอกงั้นต้องมาเรียนให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสะก่อนจะเป็นจิตที่พร้อมที่จะเจริญปัญญาอย่างแท้จริงงั้นต้องมาฝึกช่วงที่หลวงพ่อ บทใหม่ๆนลวงพ่อสอนเรื่องสมาธินี่แหละยุคแรกคนไม่เข้าใจเพราะคนติดสมาธิคิดว่ามีสมาธิก็เกิดปัญญาแล้วไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายแบบแต่หลวงพ่อนมีครูบาอาจารย์ที่ดีอย่างหลวงปูด่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกเวลาที่เราทําสมาธิเราเรารู้ลมหายใจนะจิตไหลไปที่ลมหายใจนี่ก็จิตออกนอกแล้วดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้ก็จิตออกนอกแล้ว ขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนจิตไปอยู่ที่มือนี่ก็จิตออกนอกแล้วหรือจิตหลงไปคิดอันนี้ก็จิตออกนอกแล้วอย่างหลวงปู่ดุลบอกไม่ให้ออกนอกจิตที่ไม่ออกนอกก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองหลวงปู่เทศหลวงพ่อเขเรียนกับท่านเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงปู่เทศสอนสมาธิสองอย่างอันหนึ่งท่านเรียกว่าฌานอันหนึ่งท่านเรียกสมาธิอันนี้เป็นบูหานเป็นสำนวนของท่าน สิ่งที่ท่านเรียกว่าฌานนั้นนะถ้าพูดตามภาษาปริยัติจริ ง, รงๆก็คืออารัมมณูปนิชฌานจิตมันเคลื่อนออกไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นรู้ลมหายใจจิตก็ไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องจิตไปอยู่ที่ท้องดูเท้าจิตไปอยู่ที่เท้าแล้วไม่หนีไปที่อื่นอยู่ที่เดียวไม่หนีไปที่อื่นนะจนกระทั่งมันฉินไม่หนีไปเองเลยไม่บังคับยังดูท้องไปจนจิตอยู่ที่ท้องไม่หนีเลยไม่ได้สั่งนะ อันนี้เรียกว่าอารมณูปนิชฌานจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมถะถ้าเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้ว เ, เคลื่อนต่อไปนะเช่นมันมีแสงสว่างขึ้นมาจิตไปอยู่กับแสงแล้วเคลื่อนตามแสงไปอีกนะนิมิตต่างๆก็จะเกิดขึ้นถ้าย้อนมารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนิมิตก็หายเนี่ยมีทางสมาธิพวกนี้นะเป็นทางที่พลาดง่าย ถ้าไม่เรียนให้ดีก็คิดว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญานั่งอีกกี่ชาติก็ไม่เกิดหลวงพ่อว่านั่งสมาธิมาตั้งแต่เจ็ดขวบนั่งแต่เจ็ดขวบนั่งอยู่จนกระทั่งรู้จักว่าสมาธิมีหลายแบบทีแรกก็ไม่รู้หรอกนั่งสมาธิไปจิตก็สว่างขึ้นมาหายใจนี่แหละลมก็ค่อยละเอียดละเอียดลมตื้นตื้นต้นลมมันหยุดนะหยุดปลายจมูกกลายเป็นแสงจากแสงสว่างเนี่ย ใจมันอยากรู้อยากเห็นอะไรจิมยึดเคลื่อนตามแสงออกไปเหมือนเราฉายสปอตไลท์ไปนะแสงไปถึงไหนจิตก็ไปเกิดที่นั่นเลยไปถึงที่นั่นเลยออกรู้ออกเห็นข้างนอกเล่นอยู่หลายวันทรงจิตไปเที่ยวสวรรค์ไม่ปนรกเรื่องอะไรจะต้องไปดูนะเที่ยวแต่สวรรค์ไปจริงๆหรือว่าจิตหลอนก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันเห็นโน้นเห็นนี่ได้ เรืนเพินอยู่ไม่กี่วันนะมันเกิดฉเฉลียวใจขึ้นมาถ้าเราออกไปดูสวรรค์ไปเจอเทวดาเราไม่กลัวถ้าไปเจอผีเนี่ยจะทํำยังไงคาถากันผีก็ไม่มีนะมีแต่คาถาท่องแล้วผียืนจังงังอยู่กับที่เราก็วิ่งไม่ได้ผีก็วิ่งไม่ได้ยิ่งแย่ใหญ่เอาไหมคาถานี้เ <laughs> นี่ยคนแก่เขาหลอกให้ท่องคาถาท่องแล้วผีก็ตัวแข็งนั่นเราก็ตัวแข็ง เผชิญหน้าอันนี้เป็นเรื่องอาการของจิตทั้งหมดเลยนะเรื่องนิมิตอย่าไปเชื่อจริงหรือเปล่าไม่รู้เห็นมาเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นอาจจะไม่จริงก็ได้เชื่อไม่ได้พอใจคิดว่าถ้าออกนอกเราไปเห็นผีเราจะทําไงกลัวถ้า แ, แต่นั้นก็จะไม่ให้ออกนอกเวลาที่จิตสงบลงไปนะพอจิตจะเริ่มเคลื่อนออกไปรู้เห็นอะไรภายนอกนะรู้ทันว่าเคลื่อน ทีก็ต้องช่วยมันหายใจแรงๆขึ้นนิดหนึ่งให้จิตกลับมาให้จิตกลับมาอย่าหนีไปนะไม่ให้หนีถ้าจิต ม, มันไม่สนใจสิ่งภายนอกมากนะมันก็ยอมกลับแต่ถ้ามันสนใจจริงๆมันไม่ยอมนะจิตเนี้ยเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้นี่หลวงพ่อเลยมาฝึกสมาธินะไม่ให้จิตไหลไปจิตจะไหลเรารู้ทันกลับมารู้สึกจิตจะไหลเรารู้ทันมารู้สึกมันก็สงบนะ สงบแต่รู้สึกตัวเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้แทนที่จะฝึกออกไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นเที่ยวเล่นอะไรไปเพล่นเพนไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรครูบาอาจารย์เรไปเจอครูบาอาจารย์ท่าเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้หลวงปู่สิบเนี่ยเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ถ้าไม่รู้จักชื่อท่านเรียกผู้รู้เลยแต่บ่งโอ่งอัศจรนะไม่เคยบอกไม่เคยเลยไม่เคยเห็นหนานะ้ากันรู้จักชื่อเคยมีนะหลวงปู่บุญจันทะร์นรู้ นัรู้ชื่อเลยรู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้อะไรรู้เองนั่นความรู้เฉพาะของท่านพวกเราไม่ต้องเรียนเราเรียนว่าทำยังไงจะพ้นทุกข์ น, นั่นเป็นวิชาออกนอกเหมือนกันแต่ทานเอาไว้ใช้ปราบไอ้พวกซาๆมากๆพวกเล่นสมาธิพวกอะไรมากๆมาถ้านเอาไว้ปราบให้เห็นว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้ามึงอย่ามาเล่นเลยค่าเล่นเป็นเท่านั้นแหละแต่ค่าไม่เอาแล้วเนี่ย งั้นเราฝึกจนกระทั่งใจเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็เลยตอนหลังไปเข้าไปหาหลวงปู่เทศถึงรู้โอ๊ยหลวงปู่เทศสอนเอาไว้ท่านบอกสมาธิมีสองอันหน้าหนึ่งเรียกว่าฌานฌานนี่คือการเพ่งอารมณ์จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าตามศัพท์ที่ถูกต้องก็จะเรียกว่าอารามณูปนิฌานสมาธิอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิท่านเรียกว่าสมาธิ สิ่งที่เท่นเรียกว่าสมาธิเนี่ยถ้าภาษาปริยัติจะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตั้งมั่นรู้สภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดดับเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมจะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนนะงั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนไม่ใช่ของใหม่นะไม่ใช่ของใหม่ครูบาอาจารย์ก็สอนมาแล้วทั้งนั้นนะ พวกเราก็มาเรียนซะเรียนโอ้ยสอนแรกๆนะถูกโจมตีมากเลยว่าหลวงพ่อประโพอพระประโอเ น, นี่สอนคนไม่ให้ทาสมาธิไม่บอกให้ชัดนะว่าจริงๆสอนไม่ให้ทามิจฉาสมาธิสมาธิทาไม่ถูกก็ต้องรื้อทิ้งสิทำให้ถูกตอนนี้ไม่มีใครพลาวพลาเแลวนะเพราะพวกเราพานาดีๆขึ้นมาเยอะเลยเป็นพยานให้หลวงพ่อได้ จริงถ้าครูบาอาจารย์เห็นพวกเรานะั้นท่านจะทึ่งมากเลยเมื่อสามสิบปีก่อนหนะลวงพ่อสอนเพื่อนเพื่อนไปกลุ่มหนึ่งพาเข้าวัดไปหาครูบาอาจารย์ท่านยังตื่นเต้นเลยว่าจิตมันเป็นผู้รู้ตอนนั้นพวกนั้นยังแยกขันไม่เป็นเลยนะแค่ว่าเป็นผู้รู้นะท่านยังว่าโอ้มันเยอะนะหายากนะรวมกันมาได้1ิบคนนี่อัศจรรย์เพราะวัดหนึ่งยาหาคนเป็นผู้รู้สักคนหนึ่งยังยากเลย ถ้ย่งไรเราจะฝึกสมาธิสมาธิแยกเป็นสองกลุ่มก่อนกลุ่มหนึ่งเรียกว่ามิจฉาสมาธิกลุ่มหนึ่งเป็นสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ขาดสติถ้าเมื่อไหร่ขาดสติต้องรู้นะว่าเป็นมิจฉาสมาธิเพราะเมื่อไหร่ไม่มีสติเพราะนั้นจิตจะไม่เป็นกุศลถ้าจิตเป็นกุศลหนึ่งจะเป็นสมาธิที่ถูกต้องงั้นถ้านั่งสมาธินะถ้าจิตฟุ้งซ่าน ฟุ้งสั้นยังไงนั่งสมาธิแล้วฟุ้งสั้นยังไงฟุ้งไปเห็นผีเห็นเทวดาเห็นเลขเห็นเบอร์เห็นหวยเห็นอดีตเห็นอนาคตฟุ้งสัน้นจิตฟุ้งสัน้นอันนี้ไม่เอายกเว้นบางท่านนะสมาธิท่านดีท่านเจตนาจะรู้จะเห็นนะอันนี้เป็นเรื่องของอภิญญาดัง น, น, นั้นไม่ใช่มิจฉาสมาธิแต่พวกเราหน้าตาอย่างพวกเราฝึกอภิญญาลําบากนะ แค่สมาธิคณิกะสมาธิเอาตัวรอดไปวันหนึ่งวันหนึ่งยังยากเลยนะยุคนี้เป็นยุคที่ไม่ค่อยมีสมาธิสิ่งที่พวกเราเด่นคือเรื่องปัญญาแต่ปัญญาพอไม่มีสมาธิเป็นตัวเบรกนมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านรู้สึกไหมพวกเราเป็นนักฟุ้งซ่านงั้นถ้ามองในแง่ดีคือเป็นพวกพร้อมที่จะมีปัญญาถ้ามีสติถ้ามีสตินะ ม, สตมีสมาธิแล้วพร้อมจะมีปัญญานะเป็นพวกปัญญากล้า แต่ถ้าสมาธิไม่พอสติไม่พอมันจะฟุง้งซ่านวิธีต้องฝึกสมาธินะฝึกสักอย่างหนึ่งอย่าให้ขาดสติถ้าขาดสติใช้ไม่ได้นั่งแล้วเคลิม้มนั่งแล้วลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องรู้สึกตัวเวลาที่เรารู้สึกตัวนะกระทั่งบางทีจิตรวมลงไปร่างกายหายไปนะโลกทั้งโลกหายไปเลย จิตยังสว่างเด่นดวงอยู่ไม่ขาดสติเลยนะถ้าเราฝึกได้อย่างนั้นนะมันจะมีข้อดีมากเลยพอจิตเคลื่อนออกจากสมาธิปุ๊บเนี่ยมีร่างกายขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นทันทีเลยว่าจิตกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันนับแต่วันนี้เป็นต้นไปจนวันตายนะไม่กลับมาเป็นอันเดียวกันอีกแล้วจะแยกขันได้อันตโนมัติเลยสาหรับคนที่ทำชาญได้จนถึงระดับที่ร่างกายหายไป ถ้าไม่หายก็ยังต้องมาหาทางแยกขันต์ต่อไปอีกเป็นอีกสเต็ปหนึ่งยันเราต้องฝึกสมาธิไม่ให้ขาดสติต้องมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวต้องมีความรู้สึกตัวถ้าขาดความรู้สึกตัวก็เป็นมิจฉาสมาธิไม่มีสติยัต้องฝึกนะทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัด ถนัดพุดโทโธก็ใช้พุโทโธอย่างมีสติถนัดรูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปอย่างมีสติถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจอย่างมีสติชอบขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ทำอย่างมีสติทำอะไรก็ให้มันมีสติไปมันจะได้ไม่ตกไปข้างมิจฉาสมาธิแล้วก็ทำกรรมาฐานอย่างหนึ่งนะแล้วก็มาคอยฝึกสมาธิที่ถูก ซึ่งสองอย่างนะสมาธิมันจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งทำไปเพื่อให้สงบเรียกว่าอารามโมนปนิชฌานให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวเพื่อจะได้พักผ่อนอีกอันหนึ่งฝึกไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นเรียกว่าลัคนูปนิชฌา น, นฝึกให้จิตตั้งมั่นเพื่อเอาให้เดินปัญญาการพักผ่อนจำเป็นไหมการเดินปัญญาจำเป็นไหม การเดินปัญญาเหมือนการทํางานการพักผ่อนก็เหมือนเราเหนื่อยมาแล้วจากการทํางานก็ให้ร่างกายได้พักผ่อนนะอย่างถ้าเราทํามาหากินตลอดเวลาไม่ได้พักผ่อนไม่นานก็ตายหรือพักผ่อนแล้วไม่ยอมทำมาหากินนะก็ไม่มีจะกินนะไม่รวยนั้นทํากรรมฐานนะถ้าทําสมาธิได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดเลยนะถึงเวลาควรพักก็พัก ถึงเวลาควรเจริญปัญญาก็าใช้สมาธิชนิดเจริญปัญญาก็าฝึกให้ได้สองอย่างดีที่สุดแต่ถ้าได้อย่างเดียวต้องฝึกสมาธิชนิดเจริญปัญญาถ้าเรามีสมาธิชนิดที่ใช้เจริญปัญญาแล้วนั้นเราทําสมาธิชนิดพักผ่อนไม่เป็นเนะ น, นี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ไปด้วยความลําบากแห้งแล้งใจจะรู้สึกแห้งแล้งแห้งผากเลยนะเรียกว่าเดินในเส้นทางที่เรียกว่าสุขภิปษษัสสะ สุขาวิปัสสกะสุขาวิปัสสกะนะใจมันจะแห้งแล้งมากเลยเพราะมันไม่ได้พักใจเรามันเหมือนดินเหมือนดินมันถูกแดดแผดเผาตลอดเวลาไม่มีน้ําลงมารดเลยมันจะแห้งผากแล้วมันพร้อมจะแตกเนี่ยมันจะเหน็ดเหนื่อยมากแต่ถ้าเราทําสมาธิชนิดพักผ่อนได้เหมือนเราเติมน้ําลงไปดินนี้ก็ยังไม่แตกประจัยออกไป เวลาภาวนานะถ้าเราแต่ถ้าได้อันเดียวเนาะเอาสมาธิชนิดเจริญปัญญาไปที่สำคัญก็คือพระอรหันต์ส่วนใหญ่เป็นพระสุขวิปัสสะเป็นพระที่ไม่ใช่ทรงฌานมาก่อนแต่พอท่านได้โสดาเนี่ยท่านจะได้ปฐมฌานอัตโนมัติอย่างต่ำนะอย่างต่าจะได้ปฐมฌานอัตโนมัติพระริยาทุกองจะได้ปฐมฌานอย่างอัตโนมัติ ยังต่ำบางองค์ก็ได้มากกว่านั้นได้ถึงอรูปได้เลยอันนี้แล้วแต่ของเก่าที่ท่านทำมาถ้าทำมาน้อยนะก็ได้ปฐมฌานสมัยพุทธการพุทธเจ้าท่านเคยบอกไว้บอกดูกอนภิกษุทั้งหลายในบรรดาพระอราหันต์ห้ารองค์พระอราหันต์หร500องค์เนี่ยมีพระอราหันต์ที่ได้วิ ช, ชาสามนะหกสิบองค์ กองค์คือสิงอนตได้วิชา3ระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้ท่านเหล่านี้จะรู้อย่างนี้ได้ทรงชาญแน่นอ น, นเล่นมาแล้วงั้นท่านเหล่านี้เป็นพวกที่ทรงชาญได้มีที่มีเดชอีก12บองอนองค์อีกเป็นเป็นพระอรหันต์ที่ได้ อภิญยาหกอภินยาหกเริ่มตั้งแต่อิทธิวิธีรู้วิธีแสดงฤทธิ์เรื่องการแสดงฤทธิ์เป็นเรื่องของธาตุทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของธาตุการแสดงฤทธิ์พวกนี้มีฤทธิ์อีกชนิดหนึ่งนะเป็นบุญฤทธิ์เกิดจากการอธิษฐานอย่างพระริยาเนี่ยไม่ต้องเล่นเรื่องธาตุแต่มีฤทธิ์ได้มีฤทธิ์บางอย่างได้ก็เกิดจากการอธิษฐานเอาแต่อิทธิวิธีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเล่นกรสิน กสินหรือมีทิพย์โสตทิพย์จักสุทิพย์จักสุเนี่ยเกิดจากกสินบางอย่างเกสินแสงในพวกเนี้ยจะได้ทิพยจักสุเนะกสินลมที่ก็ได้ไ ด, ได้ได้ยินนะเนะราลึกชาติได้เราลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดอะไรเงี้ยก็รูนะ้รู้ว่อดีตรู้อานาคตอะไรพวกเนี้ยลนะ้างกิเลสได้เนี่ยท่านเหล่านี้ ได้อภิญญาหกท่านเหล่านี้ทรงฌานเล่นฌานมีพระอราหันต์อีก12เปรซ็นตเนี่ยสิออันแรกนะชา3 12อันที่สองอภิญญาหกมีพระอราหันต์อีกอยังพวกหนึ่งเรียกว่าอุพโตภาควิมุตพระราารอรหันต์อุพโตภาควิมุตเนี่ยคือพระอราหันต์ที่ได้อารูปฌานหก60องจาก5้ารอยหรือสิ เพราะจริงๆแล้วมีพระอราหันต์ที่ท่านเล่นชานนะสามสิบหกที่เหลือก็คือคนอย่างเรานี้แหละเะฉะนั้นพวกเราเป็นเสียงข้างมากนะอย่าเสียใจยเป็นเสียงข้างมากคนอย่างเรานี้แหละมันรู้พระอราหันต์ได้มบรรลุมรรคผลได้ฟังแล้วคือเขิบไหมมีกําลังใจแต่ท่านภาวนากันหนักนะภาวนาอย่างพวกเราทําบ้างไม่ทําบ้างวันนี้ขยันก็ทําวันนี้ขี้เกียจไม่ทํา แแบบโป้งไว้ก่อนเลยเนี่ยไม่ได้กินหรอกเหมือนพายเรือทวนน้ําจะไปที่ตําบลตําบลหนึ่งอยู่เหนือน้ําพายเรือทวนน้ําไปอ่ะเหนื่อยแล้วจอดเรือก่อนแล้วก็ไม่รู้จักผูกเรือไว้นะจอดเรือเรือก็ไหลอีกคืนมาเดี๋ยวมีแรงก็พายใหม่ก็พายอยู่อย่างเงี้ยภายไปพายมาไม่เอาละไม่ไปละกลับบ้านดีกว่า พวกที่ภาวนายยอกหยอใหญ่ๆเขาจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็ทําเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทำแล้วก็เลิกไปไม่ได้กี่หนอกะนนเวลาทํากรรมฐานต้องจริงจังนะทําไม่เลิกทําทุกวันให้มันมีวินัยในตัวเองบ้างที่ทําชั่วแล้วทําได้ทุกวันเลยทํากรรมฐานทําไมทําไม่ได้บางคนต่อแหลก็ต่อแหลทุกวันนะเช้าสายบ่ายเย็นนี่ไม่มีขาดเลยนะพวกเราคงไม่เป็นขนาดนั้นหรอก ก็ขนาดนั้นคงไม่มาสนใจธรรมะนะแต่พวกสนใจธรรมะหลายๆก็เยอะนะที่หลวงพ่อเคยเห็นนะหลายโคตรๆเลยอนยะ่างคนอนะต้องฝึกทุกวันนะทําไงจิต จ, จะสงบได้สมาธิศสั์ชนิดแรงเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวเคล็ดลับอยู่ที่การเลือกอารมณ์เคล็ดลับอยู่ที่การรู้จักเลือกอารมณ์ การที่จิตฟุ้งซ่านนั้นอ่ะเพราะว่าจิตเนะี่ยหิวอารมณ์อยากมีความสุขวิ่งไปดูอย่างนี้นึกว่ามีความสุขแลก็ไม่มีก็วิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิน่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกหวังจะมีความสุขตลอดเวลาแล้วไม่มีจิตก็เลยฟุ้งซ่านถ้าเราฉลาดในเรื่องของจิตเราก็สังเกตเอาว่าจิตใจของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานชนิดไหนแล้วมีความสุข เคล็ดลับของการทําความสงบนะอยู่ที่ความสุขเล็ดลับอยู่ตรงนี้เองงั้นเราต้องรู้ตัวเองอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กมาเนี่ยครูบาจารย์สอนานาณาปนสติมันถูกจริตหายใจแล้วมีความสุขตั้งแต่เด็กๆนะงั้นมานั่งหายใจอยู่ไม่กี่วันเลยนะจีก็รวมสงบละสบายสว่างงั้นเราต้องดูตัวเองอย่าเรียนแบบครูบาอาจารย์อย่าเรียนแบบเพื่อนเนี่ยคือเหตุผลที่หลวงพ่อไม่จัดคอร์ส สเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันทําไม่เหมือนกันจะมาบังคับทุกคนหายใจเหมือนกันบังคับทุกคนเดินเหมือนกันไม่ได้กินหรอกมันไม่ถูกฉดิตต้องไปดูตัวเองหาสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขก็อยู่กับอารมณ์อนั้นบ่อยๆอยู่เนืองเนืองวิธีอยู่กับอารมณ์เนี่ยไม่ใช่บังคับจิตว่าห้ามหนีจากอารมณ์ เช่นหลวงพ่ออยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขหลวงพ่อก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเรื่อยใจสบายๆ ส, สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเนี่ยเคล็ดลับทางนั้นนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนี้นะจิตใจไม่ได้ถูกบังคับจิตใจไม่ได้ถูกบีบคั้นจิตใจอยู่ในรมที่มีความสุขจิตใจก็จะไม่หนีเพลินไปหาอารมณ์อื่นไม่ไปแสแบงหาอารมณ์อื่นจิตก็สงบ กันอย่างพุโทโธพุโทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุโทโธมางคลพุโทโธแล้วอืดนัดดก็ไม่เอากรรมฐานมีทั้งเยอะแยะนะสมถะเนี่ยเขารวมไว้ในภาคปริยัตมีทั้ง40อย่างนะมีเยอะแยะไปหมดเลยเอาเข้าจริงมากกว่านั้นอีกนะสีอย่างนี้เป็นการกรุ๊ปกรุ๊ปปิ้งเท่า น, นั้นเองนะรวมรวมเข้ามาจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นซะอีกไปดูตัวเองว่าอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีมีความสุข แต่มีข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งนะอารมณ์นั้นนะต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมนะอย่างถ้าด่าคนอื่นแล้วมีความสุขด่าทั้งวันอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยจิตไม่สงบนะหรือเล่นไพ่แล้วมีความสุขเนะี่ยเล่นไพ่แล้วมีความสุขมีสมาธิไม่มีแต่สมาธิออกนอกนะใช้ไม่ได้ไม่สงบจริงหรอกเดี๋ยวมันจะคอยวอกแวกอยากได้ตาทิพย์จะไปดูว่าของเขาเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนงะ <c oughs> ั้นต้องเลือก อารมณ์ที่มีความสุขด้วยอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสไม่ผิดศีลผิดธรรมด้วยยังไปตกปลาเนี่ยสงบไหมสงบได้นะตกปลาแต่ว่ามันมันผิดศีลผิดธรรมทาไปแล้วไม่ดีสะสมนิสัยชอบเบียดเบียนต่อไปจิตใจกระด้างยิ่งแย่กว่าเขาอีกนะงั้นอย่างเราหัดพุทโธหานหายใจคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงความเมตตาเจริญเมตตา คิดถึงความสงบคิดถึงคนดีๆเรียกว่าเทวตานุสติสมมติเราคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงสมเด็จพระเทพอะไรเงี้ยรู้สึกไหมพอคิดถึงจะมีความสุขก็รู้จักเลือกนะรู้จักเลือกคิดเอาคนซึ่งเราคิดถึงแล้วร่มเย็นคิดถึงแล้วร่มเย็นจิตใจมีปีติมีความสุขอะไรเงี้ยก็คิดถึงอย่างนี้เรียกว่าเทวตานุสติคิดถึงร่างกาย ดูผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายนะบางคนชอบบางคนดูแล้วกลั ว, ลวอย่างี้ก็ไม่เอาเราต้องเอากรรมฐานที่ใจชอบมีความสุขนะหรือรู้ลมหายใจคิดถึงลมหายใจแล้วมีความสุขนะอย่างนี้ใช้ได้ทั้งนั้นนะอันนี้แค่1ิอย่างนะยีงเหลืออีก30 30เนี่เป็นกระสินอีก10ข้อก็นะอเป็นอย่างอื่นอีก เอาที่ทําได้ที่พอทําได้ยุคนี้เป็นยุคคิดมากเพราะงั้นใช้กรรมฐานพวกอนุสตินี่แหละอนุสติไม่ถือห้ามคิดให้ตามะระลึกตามคิดตามพิจรารณาไปใจก็จะสงบนะเช่นเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าแล้วมีความสุขแปบ๊บเดียวก็สงบหรือคิดถึงพระเถรเจ้าคิดถึงในหลวงอะไรอย่างงี้นะใจใจมีความสุขแปบ๊บเดียวก็สงบจนะรู้จักเลือกกรรมฐาน ไปเลือกด้วยตัวเองหลวงพ่อเลือกให้ไม่ไหวเพราะพวกเราเยอะสมัยที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะั้นหลวงฟูดูลเลือกให้เพราะอะไรนานมากเลยจะมีคนไปถามกรรมฐานสักทีหนึ่งคนไม่ได้ถามกรรมฐานคนนึกว่าหลวงฟูดูลภาวนาไม่เป็นเพราะหลวงปูดูลอยู่ในในเมืองหารู้ไม่ว่าท่านภาวนาเก่งมารู้ว่าท่านภาวนาดีนะตอเมื่อสมเด็จพระญสารังวรนะไปกราบท่าน่ะ คนถามว่าหลวงตาองนี้เป็นใครองนี้อาจารย์ฮองลงปู่ฟัน่นคนถึงมารู้จักท่านั้นแต่ก่อนนะไม่มีใครเข้าไปหาท่านนะสบายสบายหลวงพ่อ น, นะนึกถึงท่านนล้วมาเลยเราจะได้อย่างท่านเนาะไปแล้วไม่มีคนรู้จักนะดีดีไม่มีคนมาหาสบายหายใจออกหายใจเข้านะ่ะมันเวีความรู้สึกอิสระ เป็นปลาตัวใหญ่ว่ายน้ำอยากว่ายไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้อันนี้เป็นปลาตู้ถึงเวลาก็มานั่งตรงนี้ให้พวกเราดูนะเหมือนปลาตู้งั้นรู้จักเรื่องอารมณ์นะไปดูตัวเองว่าควรใช้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขอารมณ์นั้นไม่ยัว่วกิเลสแป๊บเดี๋ยวก็สงบอย่าบังคับจิตให้สงบแค่ะระลึกถึงอารมณ์นั้นสบายๆเคล็ดอยู่ที่นี่นะ แล้วทำไงจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นเอาไปเดินปัญญาชนิดตั้งมั่นเนี่ยมันตรงข้ามกับความไม่ตั้งมั่นความไม่ตั้งมั่นคือความฟุ้งซ่านของจิตเนี่ยไหลไปไหลมาเนี่ยเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากโลภะตัณหามันผลักดันไปจิตมันหิวจิตมันหิวอารมณ์มันอยากดูมันอยากฟังมันอยากคิดอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้สัมผัสทางกายจิตก็จวิ่งพล่านไป เราคอยรู้ทันจิต ท, ที่มันวิ่งพล่านไปถ้ารู้ได้ละเอียดเราเห็นจิต ท, ที่อยากถ้าเห็นจิตอยากนะความอยากไม่เกิดจิตไม่ฟุ้งเลยถ้าตัวนี้ไม่เห็นนะมันฟุ้งไปก่อนเรารู้ว่าฟุง้งตรงที่ความจิตมันเคลื่อนไปเนะี่ยจิตมีโมหะรุนแรงแล้วนะเป็นโมหะที่แรงแลเป็นอุทัจจะนะฟุ้งอย่างแรงนะฟุ้งไปจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านนะคือจิต ท, ที่มีอุทัจจะความฟุ้งซ่านเมื่อไรมีสติ รู้ว่ามีอุทัศจะเมื่อนั้นอุทัศจะจะดับเมื่อจิตไม่มีอุทัศจะสมาธิจะเกิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบก็แค่นี้เองทําไงจิตจะไม่ฟุ้งซ่านจิตมีธรรมชาติฟุ้งซ่านแต่พอเรามีสติรู้ว่าฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับความสงบก็เกิดจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตจะตั้งมั่นไม่ไหลงั้นวิธีฝึกจิตไม่ให้ไหลนีไม่ใช่ห้ามจิตไม่ให้ไหลนะ ไม่ใช่จิตไหลไปแล้วไปดึงคืนอันนั้นไม่ถูกวิธีที่ให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตไหลแล้วรู้ทันจิตไหลแล้วรู้ทันเราต่อยอดมาจากการทําสมาธิที่ให้จิตสงบนั่นแหละแต่เดิมเราเคยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนสบายมีความสุขอยู่กับการหายใจจิตสงบอยู่กับการหายใจได้สมาธิชนิดแรกคราวนี้หายใจแต่ไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบหายใจแล้วคอยรู้ทันจิต ขยับมือเรารู้ทันจิตดูท้องพองยุบเรารู้ทันจิตเดินจงกรมเรารู้ทันจิตจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้ตัวนี้สําคัญมากนะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นี่แหละตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยจิตไม่เคลื่อนจะเกิดขึ้นแต่ไม่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเดี๋ยวก็เคลื่อนใหม่สมาธิที่เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้นะเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะคณิกะคือชั่วขณะเกิดขึ้นได้แวบเดียวสมาธิชนิดนี้แต่แค่นี้แหละ คนส่วนใหญ่เป็นพระรอาหารหันต์ก็เพราะอสมาธิชนิดนี้แหละนะที่ไปทรงฌานถึงอัปปนาสมาธิหรือต่ําลงมาเป็นอุปจารสมาธินเราไปเดินปัญญาในฌานะมีน้อยส่วนใหญ่ก็ใช้คณิกสมาธินึงนั้นอย่าดูถูกสมาธิชั่วขณะนะเวลาที่อริยมรรคเกิดนั้นเกิดหนึ่งขณะจิตเท่านั้นไม่มีสองขณะจิตไม่ว่าจะทำด้วยสมาธิชนิดไหนก็ตามแต่เวลาที่อริยมรรคเกิดนั้นเกิดขณะจิตเดียว งม้นอยด่ดูดูดูถูกหนึ่งขณะจิตนะงั้นทำกรรมฐานไปพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้ที่เคยทำเคยทำแล้วมีความสุขก็ทำอย่างนั้นแต่ไม่ได้มุ่งไปที่ความสุขทำแล้วให้เปลี่ยนมาคอยรู้ทันจิตไปคุณแม่จันดีนะเคยถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ภาวนายัางไงจิตมาลงที่เดียวกันกับท่านไดนะ้บอกว่าหลวงพ่อหายใจนะลมหายใจตื้นลมหายใจหยุดกลายเป็นแสง แล้วหลงพ่อรู้อยู่ที่แสงพระจิตเคลื่อนหนีไปเรารู้ทันจิตเคลื่อนเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงเจริญปัญญาขึ้นมาท่านบอกว่าอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจท่านใช้พุทโธ ท, ท่านพุทโธเนี่ยแล้วท่านก็มีจิตหยู่เอาจิตไปตรงนี้นะพุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนจิตมันเคลื่อนงั้นหลักอันเดียวกันนะคือจิตเคลื่อนเรารู้หลวงพ่อเทียนขยับมือท่านไม่ได้ขยับมือเพื่อให้จิตสงบ ท่านมุ่งขยับมือเพื่อให้จิตนิ่งแล้วก็ไม่ใช่คําสอนที่แท้จริงของท่านเลยเป็นคําสอนที่เพี้ยนแล้วขยับมือเพื่อจะรู้ทันจิตที่หนีไปแลวบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวคิดเหมือนหนูจิตมันคิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าขยับมือเพื่อให้มันไม่ให้มันคิดนะขยับมือเพื่อรู้ว่ามันคิดจิตที่หนีไปนั่นส่วนใหญ่นี้ไปคิดส่วนใหญ่นี้ไปคิดทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตรู้ก็จะเกิดขึ้น อั น, นบอกที่คิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวหลวงปู่ดูลบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะแต่เขาอาศัยคิดให้มันคิดไม่ใช่ห้ามนะมันคิดไปแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ตรงที่รู้ว่าเคลื่อนนั้นความตั้งมั่นจะเกิดฝึกให้ชำนาญ น, นะฝึกให้ชนานาญทีละขณะทีละขณะแต่ละขณะขณะที่เกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกเหมือนว่าเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะความต่อเนื่องที่แท้จริงนะความต่อเนื่องนะสิ่งที่อย่างสมาธิยาวๆเนี่ยจริงๆก็คือสมาธิแต่ละจุดแต่ละจุดมันเกิดถี่ยิบต่า น, นั้นเองนะจิตที่มีสมาธิมันเกิดซ้ำๆ้ำๆ้ำำมากๆมันเลยกลายเป็นว่ายาวๆที่จริงจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วทั้งนั้นเลยนะกระทั่งจิตในฌานก็เกิดดับนะอย่างที่ว่าเข้าอารูปเข้าอาปอาปนาอะไรต่ออะไรนะ ก็ไปจิตก AH so ็ไปเกิดดับอยู่ข้างในก็ดับทีจิบเหมือนกันนะแต่ว่ามันเกิดแล้วมันดับไปแล้วมันเกิดใหม่เหมือนเดิมมันทรงอยู่ในอารมณ์เดิมมันก็เลยรู้สึกว่ายาวเราไปเข้าชานไม่ได้เรามาฝึกรู้สึกตัวเป็นขณะขณะนี่แหละเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ในที่สุดความรู้สึกว่ารู้เนี่ยมันจะต่อเนื่องเป็นสายเลยอยู่ข้างนอกนี่แหละจะรู้สึกรู้สึกได้ตลอดนะโดยที่ไม่หลงเลยแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึก ใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงหลวงพ่อทำตั้งแต่เป็นโยมนะหลวงปู่สิหนึ่งเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ว่าจิตมันตั้งมั่นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตไหลเรารู้จิตไหลเรารู้นะแต่ที่จริงหลวงพ่อฝึกมาอีกแบบหนึง่งอันนี้เอามาแอปพลายให้ง่ายนะสำหรับพวกเราที่นั่งสมาธิไม่ค่อยเป็นนะถ้าจะฝึกเต็มรูปแบบเนี่ยเราต้องเข้าสมาธิไปลําดับลําดับไป จนละวิตกวิจารได้จิตตัวรู้จะเด่นทวงอยู่ถ้าได้จิตตัวรู้อย่างนั้นแล้วนะจะทรงอยู่ได้เจดวันไม่ใช่ทรงขณะหนึ่งนะจะทรงเหมือนจะทรงอยู่ได้เจ็ดวันแต่จริงๆกาเกิดดับแต่ว่าพลังมันเยอะเร า, เาแบบง่ายๆเผลอเรารู้เผลอเราวรู้ไปนะจะได้สมาธิชนิดตั้งมัน ไ, มได้สมาธิชนิดตั้งมันแล้วต่อไปก็เอาไปเจริญปัญญาได้เอาไปกินข้าวไป นี่หมดเลยครับ